และแม้ว่าจะไม่ใช่ประกอบกรรมที่ชั่วอะไรมากนักแต่ก็ไม่พบความสุขทั้งทางจิตใจทั้งทางกายในปัจจุบันเพราะอำนาจของความดิ้นรนทยานอยากยึดถือต่างๆแผดเผาจิตใจ ร่ม ร, มรุมจิตใจให้มีความทุกข์และเมื่อประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดต่างๆก็ยิ่งจะได้รับผลเป็นอบายคือความตกต่ำเสื่อมทรามสืบต่อไปในภายหน้า อันเป็นตัวอบายจะทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะรู้สึกตนเองว่ายังมีตันหาคือความดิ่นรนทยานอยากและพอใจจะอยู่กับตันหาคือความดิ่นรนทยานอยากเป็นโลกิยะคือเกี่ยวข้องอยู่กับโลก ก็ไม่ควรที่จะเป็นทาตของตัญหาเมื่อมีตัญหาอยู่ก็ให้เป็นนายของตัญหาคือความดิ้นรนที่ยันยากและเมื่อนายของตัญหาคือตนเองประกอบด้วยศรัทธาปัญญาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะ ได้อาศัยตัณหาประกอบกรรมที่ดีที่ชอบคือให้อยากประกอบกรรมที่ดีที่ชอบค้นควายประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่งางๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุถึงความสุขทั้งในปัจจุบัน และทั้งในภายหน้าและเมื่อศรัทธาปัญญาเจริญเติบโตขึ้นมากก็จะละตัณหาได้ในที่สุดได้ในข้อที่ว่าอาศัยตัณหาละตัณหาเสียดังนี้การที่จะปฏิบัติดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติ ในทางละวัตทุ ค, คือละตันหาคือความดิ้นรนทะยันอยากนั่นเองตามที่พระพุทธเธจ้าทรงสั่งสอนไว้จึงจะทำตนให้เป็นนายของตันหาได้ไม่ต้องเป็นทาสของตันหาการที่จะบัดปฏิบัติดังนี้ วิธีหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามิชาละท่านมิกชาละได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า บุคคลที่ได้ชื่อว่าเอกวิหารีคือเป็นผู้อยู่ผู้เดียวมิใช่อยู่โดยมีเพื่อนสอง ด้วยการปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบมีความว่าบุคคลที่จะชื่อว่าเอกวิหารี อยู่ผู้เดียวมิใช่อยู่ด้วยมือเพื่อนสองนั้นก็จะต้องปฏิบัติให้ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ชื่อว่ามิใช่อยู่ผู้เดียวแต่ว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสอง จึงได้ทรงแสดงถึงบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ผู้เดียวแต่อยู่ได้มีเพื่อนสองอนมีใจความว่าอันรูปเสียงกลิ่นรสพทพะสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องราวที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นปียรูปคือเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่เป็นสิ่งที่ชวนให้ปรารถนา เป็นที่ตั้งแห่งความติดใจ ย, ยินดีมีอยู่ถ้าว่าภิกษุอภินันคือพอใจชมเชย หรือว่าชมชื่นก็ย่อมจะมีนันทิคือความเพลินเมื่อมีนันทิคือความเพลินก็ย่อมมีความติดใจ เมื่อมีความติดใจก็ย่อมจะมีความ ผ, ผูกพันและเมื่อเป็นไปอยู่ดังนี้แม้ว่าภิกษุนั้นจะอยู่ในป่า ในสมทุมพภุ่มไม้อันเป็นที่สงบสงัดเป็นที่อันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสงัดก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียว อันเรียกว่าเอกะวิหารีแต่ว่าชื่อว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสองเพื่อนสองนั่นก็คือตันหาความดิ่นรนทยานยาอันหมายถึง อาการที่มีความเพลินมีความติดใจมีความผูกพันอยู่ในรูปเจนงกลิภภ่นรสผลพระและธรรมะคือเรื่องราวดังกล่าวนั้ น, น, นเองอย่างละตันหาไม่ได้ต่อจากนี้ จึงทรงแสดงถึงผู้ที่อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้มือเพื่อนสองในทางตรงกันข้ามซึ่งมีใจความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโหตพะและธรรมะคือเรื่องราว ซึ่งน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่เป็นที่รักมันเรียกว่าปารูปชวนให้ต้องการปรารถนาเป็นที่ตั้งของความติดใจมีอยู่ถ้าภิกษุไม่อภินันคือไม่พอใจไม่ชอบใจ ไม่ชมชื่นก็ย่อมจะไม่มีนันทิคือความเพลินเมื่อไม่มีนันทิคือความเพลินก็ไม่มีความติดใจรับใส้ปรารถนาเมื่อไม่มีความติดใจก็ย่อมไม่มีความโผกผัน ดังนี้คือว่าเป็นภูที่อยู่ภูเดียวไม่ใช่อยู่ในเพื่อนสองก็เพราะว่าละตัญหาคือความริ้นรนทยานอยากเสียได้ดังนี้และก็ได้ตรัสต่อไปว่า ภิกษุที่ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในที่สุดบ้านดังที่เรียกว่าเป็นคามาวาสียังเกลื่อนกลน ไปด้วยบุคคลทั้งหลายและยังมีเสียงที่ไม่สงบเหมือนอย่าง หินที่เป็นบ้านเป็นเมืองแม้เช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวมิใช่อยู่ได้มีเพื่อนสองเพราะละตันหาคือความดิ้นรนทนยันอยากเสียได้ดังนี้ ตามระพุทธภาสิทนี้เป็นคำสั่งสอนที่ทำให้มองเห็นหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่มุ่งเข้ามาโดยตรง ถึงการปฏิบัติทำจิตใจนี้เองให้สงบสงัดเป็นประการสำคัญและในการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบสงัดนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติทำจิตใจให้พ้นทุกข์ไม่อยู่กับทุกข์ ถ้าจิตใจยังไม่พ้นทุกยังอยู่กับทุกจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็ยังเป็นทุกอยู่นั่นเองอันจิตใจที่อยู่กับทุกไม่พ้นทุกนั่นก็คือจิตใจที่ ยังมีความพอใจชมชื่นเพลดิดเพลินติดใจรักใครยินดีผูพกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราว ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายซึ่งได้ประสบพบพานทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองแม้ว่าจะหลบไปอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดไม่มีผู้คนพลุกพล่าน ตาหูจมูกลิ้นกายก็ดูเหมือนสงบสงัดคือตาก็ไม่เห็นอะไรที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเห็นแต่ต้นไม้ภูเขาหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ว่าอายตนะข้อที่หคือมโนใจนี้ยัง มีความพอใจชื่นชมเพลดิดเพลินติดใจผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลินรถโพิตภและธรรมะคือเรื่องราวต่างๆที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายโดยที่ยังน่วงคิดไปถึงสิ่งเหล่านี้ อยู่แล้วก็เป็นอันว่ายังอยู่กับทุกยังไม่พ้นทุกอันสิ่งเหล่านี้ยังไม่มองเห็นว่าเป็นตัวทุกแต่ยังมองเห็นว่าเป็นตัวสุขหรือเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงเท่ากับว่า ยังชื่นชมยินดีอยู่ในตัวทุกหรือในสิ่งที่เป็นทุกยังไม่มองเห็นทุกเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังเป็นทาสของตันหายังอยู่กับตันห า, ย, นหายังมีตันหาในเป็นตัวเพื่อนอยู่ด้วยกันยังไม่พรากออกไปได้ยังไม่ใช่ตัวคนเดียว ยังมีตันหาเป็นเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคือยังมีเพื่อนสองเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่พ้นทุกยังอยู่กับทุกจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็อยู่กับทุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะปฏิบัติ ให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมะคือเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละให้มองเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขทั้งนี้ก็ด้วย ให้ปัญญาพิจารณาให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างๆได้สถานหนึ่งให้เห็นว่าเป็นตัวสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับ ก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอย่างหนึ่งให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งดังนี้เมื่อมองเห็นดังนี้จึงจะเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่ต้องการใจก็จะไม่ยินดีพอใจไม่ชมชื่น ไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจไม่ผูกพันเพราะเมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็ย่อมจะไม่ผูกพันจะไปผูกพันไปต้องการทำไมเมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ที่ยังผูกพันยังพอใจอยู่ก็เพราะเห็นว่าเป็นตัวสุขก็คือเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ถ้าเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็จะเห็นว่า ไม่ใช่เป็นที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาพอใจไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่จะพึงเป็นที่รักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงปรารถนาต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงติดใจ ย, ยินดีอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญหากว่าทำได้เห็นทุกในสิ่งที่น่ารักใครปรารถนาพอใจในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสุขเหล่านี้ได้แล้ว จึงจะพ้นทุกข์ได้คือจะเป็นนายของตัญหาได้ดับตัญหาได้ตามภูมิตามชั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทงความสงบส่อ ต, ต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ได้ทรงแสดงธรรมะอันเป็นสัจจะคือความจริงของจริงของแทรวมเข้าในอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือทุกขเหตุเกิดทุก ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์และเหตุเกิดทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงในด้านทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นสัจจะคือความจริง ในด้านดับทุกข์พุทธศาสนาย่อมรวมลงในสัจจะทั้งสี่นี้และพระบรมศาสดาก็ทรงพยากรณ์ปัญหาทั้งหลาย ในอริยสัจนี้ไม่ทรงพยากรปัญหานอกอริยสัจซึ่งไม่อาจจะรู้เห็นได้ที่ว่าไม่อาจจะรู้เห็นได้นั้น ก็คือบุคคลผู้ฟังไม่สามารถจะรู้เห็นได้แต่อริยสัตย์ผู้ฟังอาจรู้เห็นได้ก็เพราะเป็นสัจจะคือความจริง ในกายอันยาวาานึงมีสัญญามีใจนี้นั่นเองทรงสแสดงอริยสัจในภายในขอบเขตแห่งกายที่ยาววานึงมีสัญญามีใจนี้ของทุกๆคน เพราะฉะนั้นจึงอาจที่จะรู้เห็นได้ด้วยตนเองและพระฮุลานุสาสนีคำสั่งสอนเป็นอันมากของพระองค์ก็ทรงสแสดงชี้ ให้รู้จักทุกขสจัจสภาพที่จริงคือทุกข์อันประกอบอยู่ด้วยทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์กายอัญญาวาหนึง่งมีสัญญามีใจนี้ ก็คือขันอาญตนะธาตุของทุกๆคนกันรวมเข้าเป็นนามและรูปหรือกายและใจที่หมายถึงนามและรูปนี้เอง และสิ่งนี้เองที่เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์คือกายที่ยาววานึ่งมีสัญญามีใจหรือนา ม, มารูปหรือกายและใจนี้ เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ประกอบอยู่ด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และตัวทุกข์นั้นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นทุกข์สองชั้นที่ประกอบกันอยู่ คือเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพมีแก่ขันอาญาณธาตุ หรือกายใจหรือนามรูปหรือที่กล่าวว่ากายที่ยาววันหนึ่งมีสัญญามีใจนี่ของบุคคลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนามรูปของใครก็ต้องประกอบด้วยสภาวะทุกอยู่ดังนี้ นี่เป็นทุกข์ชั้นหนึ่งและทุกข์อีกชั้นหนึ่งก็คือทุกทางจิตใจเพราะมีตันหาคือความริ้นรนทยานอยากประกอบอยู่ก็ทำให้เกิดโสกะบริเทวะเป็นต้นอันเป็นทุกทางจิตใจ หรือที่เรียกว่าปกินกักะทุกๆุเบ็ดเตล็ดทางใจต่างๆอีกชั้นหนึ่งประกอบกันอยู่ถ้าหากว่าจะเปรียบนามรูปนี้หรือกายที่ยาววามีสัญญามีใจนี้ ก็เทียบได้กับก้อนถ่านไฟและตัวสภาวะทุ